ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัญญาณสัมปันโนเสนอตอนที่18ข้อวัดปฏิบัตินวัดหนองผือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ให้โอวาต ธ, ธรรมเอาไว้ว่าขอท่านทั้งหลาย อย่าลืมคำของนักปราานสอนคำของนักปราถเป็นคำที่มีคุณค่ามากที่สุดขนสัตวโลกให้หลุดพ้นจากทุกในวัฏสงสารตั้งแต่พื้นพื้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานมาม า, มากต่อมาแล้วด้วยอานาจแห่งความดีทั้งหลายปราท่านก็หลุดพ้นเพราะอานาจแห่งความดีเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของปราถเป็นชาวพุทธจงอย่าได้ลืมคุณงามความดี วันหนึ่งวันหนึ่งทาระลึกถึงความตายได้สักห้าหนคนเราก็จะมีความยับยั้งชั่งตัวถ้าเป็นรถจะมีเหยียบเบรยบ้างไม่เหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวมีแต่บึกบึนไปเรื่อยๆอันนั้นจะให้เป็นอย่างนั้นอันนี้จะให้เป็นอย่างนี้มีแต่อยากจะให้สมใจสมใจแต่แล้วมันก็ไม่สมใจมีแต่ผิดหวังผิดหวังไปหมดถ้าให้กิเลสพาดำเนินไปอย่างนั้น ถ้าให้ทำชุดลากไปแล้วหรือชักจุงเราไปดึงรอไปเราจะมีความสมหวังให้เราสร้างความสมหวังเอาไว้เธอเวลาเข้าจนตรอกจนมุมจริงๆไม่มีอะไรพึ่งนะเราอย่าไปสำคัญเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เราพึ่งอะไรเรานึกพึ่งได้สมบัติเงินทองเท่าของมีมากมีน้อยเรานึกไปเราก็ชุ่มเย็นว่าสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้เรามีได้อาศัยแต่เวลาจาเป็นจริงๆ พอลมหายใจขาดสะบั้นสิ่งเหล่านี้หมดความหมายไปทันทีขาดสะบั้นไปเลยแล้วสิ่งที่มีความหมายในใจของเราก็คือความดีที่เราสร้างไว้แหละจะเป็นคู่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราให้ระลึกเอาไว้วันที่จนตรอกจนมุมจะมีด้วยกันทุกคนไม่สงสัยเป็นเพียงว่าช้าหรือเร็วต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเวลามีชีวิตอยู่เราพึ่งอะไรเวลาตายไปพึ่งอะไร เวลาตายไปโลกหน้าไม่มีการทำไร่ทำนาหรือว่าทำรัว้วทำสวนซื้อถูกขายแพงแต่อาศัยคุณงามความดีที่ตนสร้างไว้เป็นอาหารทิพย์เป็นเครื่องเสวยนั่นแหละให้เราสร้างเอาไว้นั่นแหละเป็นแก้วสารพัดนึกและเป็นผู้พึ่งเป็นพึ่งตายพึ่งไปตลอดถึงอวสานได้ถึงพระนิพพานก็เป็นอันว่าหมดปัญหาเป็นผู้พึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์ หลุงตามหาบัวยานสัมปันโนงเลยเล่าชีวประวัติของท่านเอาไว้ในพรรษาที่12ถึง15ในปีพุทธศักราช2488ถึง2491ในขณะที่ท่านจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนานในอำเภอพั น, นานิคมจังหวัดสกลนครเอาไว้ว่าพ่อแม่ครูจันมั่นท่านพักอยู่ที่วัดหนองผือด้วยความผาสุกพระทุดง ที่ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตใจกันมากถึงแม้จะมีจำนวน 20-30 ถึงองค์ในภรรษาต่างก็ตั้งใจปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนของตนไม่มีเรื่องราวให้ท่านหนักใจมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะอันเดียวกันในยามเช้าเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วต่างองค์ก็ต่างเข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆติดกับวัด ทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัยจนบ่ายสี่โมงเย็นถึงเวลาปัดกวาดลานวาดัดต่างก็ทยอยกันออกมาจากที่ทำความเพียรของตนของต น, งตนพร้อมกันปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วจึงขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มใส่ไหน้ำฉันน้ำล้างเทา้าล้างบาทและสมน้ำหลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรมทำความเพียรตามเคยถ้าไม่มีการประชุมอบรม ก็ทำความเพียรต่อไปตามอธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนปกติเจ็ดวันท่านจัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่งหากเป็นผู้ประสงค์จะศึกษาธรรมเป็นพิเศษหรือถามปัญหาธรรมกับท่านก็ไม่ต้องรอจนถึงวันประชุมสามารถหาโอกาสที่ท่านว่างเช่นตอนหลังฉันจังหันตอนบ่า ย, ายตอนราวห้าโมงหรือกลางคืนราวสองทุ่มก็ได้เวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกันรู้สึกน่าฟังมาก เป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้างเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นผู้ ก, กายทิพย์บ้างฟังแล้วทําให้เพเลิดเพลินอยู่ภายในไม่อยากให้จบสิ้นง่ายๆทั้งเป็นคติทั้งเป็นอุบายแจ้ใจในขณะนั้นเพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมภายในเหลื่อมล้ําต่ําสูงต่างกันเป็นรายๆไปและมีความรู้แปลกๆตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่านทําให้เกิดความรื่นเรืองใจไปกับปัญหาธรรมนั้นๆไม่มีสิ้นสุด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 เพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้เรานอนใจต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้านรลวงตามหาบุวยนสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะอยู่วัดบ้านหนองผือที่ต้องเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนต่อไปอีกว่าเวลาที่เรามาอยู่วัดบ้านหนองผือ เราก็สมาทานทุดดววัดอย่างเดิมอยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องทุดดววัดนี้เราจะต้องเอาหัวชนอย่างไม่ถอยเลยยึนประต่ายขาเดียวไม่ยอมให้ขาดมิธรามะมาแล้วก็รีบจัดทันทีจเจ้าอะไรก็เอาเสียนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะการฉันไม่เคยฉันให้อิ่มโดยกำหนดให้ตัวเองว่าเอาเพียงเท่านั้นเท่านั้นเอาสักห0เอร์เซ็นตหรือ 70% เอร์เซเราเองก็เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างลับๆ ทั้งที่ไม่แสดงตัวทั้งนี้เกี่ยวกับการสอดซองดูแลความสงบเรียบร้อยของหมูคณะภายในวัดพรนสาก็ไม่มากสิบกว่าพรรษาเท่านั้นแต่รู้สึกว่าพ่อแม่ครูจรันมั่นท่านเมตตาไว้ให้ใจในการช่วยดูแลพระเนรอย่างลับๆเช่นกันเวลาเข้าพรนสาก็ต่างองค์ต่างสมาทานทุดตรงกันทั้งวัดครั้นสมาทานแล้วไม่กี่วันมันก็ล้มไปล้มไปนี่ก็สองแสดงให้เห็นความจริงจัง หรือความล้มเหลวของหมู่คณะเมื่อได้เห็นอาการของหมู่เพื่อนเป็นเช่นนั้นทําให้เราเกิดความอิจฉาระอาใจไปหลายแง่หลายทางเกี่ยวกับหมู่คณะจิตใจก็ยิ่งฟิตปลูกใจตัวเองให้แข็งขันและย้อนถามตัวเองบ้างว่าเป็นยังไงเราจะไม่ล้มไม่เหลวไปหรือก็เหตุการณ์รอบข้างเป็นเช่นนี้ก็ได้รับคําตอบอย่างมั่นใจว่าจเจ้าอะไรมาให้ล้มให้เหลวไปละ่ะก็ตัวใครก็ตัวมัน ประกอบกับนิสัยเราเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมอยู่แล้วทําอะไรต้องจริงจังทั้งนั้นทําเล่นไม่เป็นเราจะล้มไม่ได้นอกจากตายเสียทั้นั้นฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงของหมู่เพื่อนจึงเป็นราวกับว่าแสดงพระธรรมเทศนากัรหนึ่งให้เราฟังอย่างถึงอกถึงใจขุดงคําว่า13ข้อนี้ผู้ที่จะเห็นคุณค่ามีน้อยทั้งทัที่ขุดงทั้ง13ข้อเป็นเครื่องชําระสะสารกิเลส ของพระเนรเราทั้งนั้นผู้ที่จะพลีชีพพรีดวงใจเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้ส่วนผู้ที่จะพรีชีพพรีดวงใจเพื่อเป็นการบูชากิเลสวรรัตรก็ปฏิบัติตามความเห็นของกิเลสไปหลวงตามาหาบวญยณสัมปันโนให้กล่าวถึงคติธรรมและปฏิปทาของท่าน ในขณะที่จำพรรษาอยู่ร่วมกับท่านพระจรันมันเอาไว้อย่างน่าฟังเป็นคติเครื่องเตือนใจว่าการฉันการฉันก็มีอยู่สองประเภทหนึ่งฉันด้วยอํานาจของตัณหาก็มี 2. ฉันด้วยอํานาจแห่งความหิวกระหายของธาตุของขันพอเยียวยาไปประทังประทังไปวันหนึ่งวันหนึ่งดังที่ปฏิสังขายโยนิโสท่านแสดงไว้นั้นก็มีการฉันในบาตนี้เป็นจิตสําคัญอยู่มาก ไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าบาตรสำหรับใส่อาหารจะเป็นถ้วยชามนา ม, มากร อ, อะไรก็แล้วแต่เถอะเป็นภาชนะทองคามาก็ไม่เหมาะสมยิ่งกว่าบาตรมีบาทใบเดียวเท่านั้นมีอะไรก็รวมลงที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ทรงดําเนินเป็นตัวอย่างอันแนบแน่นมาก่อนแล้วบางคนคิดว่าอาหารที่รวมลงไปแล้วจะทําให้ท้องเสียดังที่คนส่วนมากเขาว่ากันซึ่งเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วท้องมีกี่พุงกี่ไส้ มีกี่ภาชนะสำหรับใส่อาหารแยกประเภทต่างๆนี้หวานนี้ข้าวนีิแจงเผ็ดความจริงในขณะที่อาหารรวมลงในบากก็เป็นเทศนธรรมอย่างดีก่อนฉันก็พิจารณาในขณะที่ฉันก็กำหนดพิจารณาปฏิเวรขณะโดยความแตกต่างแห่งอาหารย่อมได้อุบายแปลกๆขึ้นมาจากอาหารผสมนั้นเพราะไม่ได้ฉันเพื่อความรื่นเริงบันเทิงไม่ได้ฉันเพื่อความสวยงามเพื่อความฟุง้งเฟ้อเห่อเหิม เ, เพื่อความคึกขนองอะไร ฉันพ อ, อย่างอัตภาพให้เต็นไปเพื่อได้ประพฤติพรหมจรรย์ชำระกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวเพช ร, ร้ายโรกรุงรังฝังจมลึกอยู่ภายในใจนี้ให้เตียนโล่งออกจากหัวอกหัวใจด้วยการพิจารณาโดยแยบคายซึ่งอาศัยทุรงควัตเหล่านี้เป็นเครื่องมือต่างหากพระเราเมื่อฉันมากมาก ทำให้ธาตุขันมีกำลังมากขึ้นแต่จิตใจลืมเนื้อลืมตัวที่เกียดภาวนาไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยมีแต่อาหารพอกพูนธาตุขันสกุลกายไม่ได้พอกพูนจิตใจด้วยอัดด้วยรรมใจหากเคยมีธรรมมาบ้างก็น้ำวันเหี่ยวแห้งแทบลงไปถ้ายังไม่มีธรรมเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีจุดหมายเอาเลยทุ ด, ดงจึงต้องห้ามความโลเลในอาหารเพื่อให้จิตใจมีทางเดินโดยอัดโดยทำ กิเลจะได้ไม่ต้อง พ, อพ่อคูณมากมายกายจะได้เบาใจจะได้สงบในเวลาประกอบความเทียนและสงบง่ายกว่าเวลาที่ภูมิกําลังบรรจุอาหารเสียเต็มปรีนี่มันน่าอบอายไข่หน้าพระกรรมฐานจะตายไปที่เอาท้องมาอวดโลกแทนที่จะนำธรรมมาอวดเขาเพราะแม่ครูจันทร์มั่นท่านก็รู้ว่าเราไปทุ ด, ดงด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มฐานไปทรมานอยู่ตามป่าตามเขาลูกไหนลูกไหน ท่านก็รู้แล้วท่านทำไมพูดขึ้นมาว่าท่านมหาไปนานนักไปหลายวันแล้วไปหมวดซดซ้ายซดขวาอยู่ที่ไหนนาไม่เห็นมาทาั้งๆที่ท่านก็รู้ว่าเราตั้งใจขนาดไหนเราไม่เคยใช้ช้อนเลยท่านก็รู้แต่ทำไมท่านพูดอย่างนั้นก็คือท่านสอนหมู่สอนคณะในวงนั้นนั่นเองเวลาเรากลับมาพระท่านก็เล่าให้เราฟังเพราแม่ครูจารย์มั่นท่านกล่าวว่าพระกรรมฐานฉันช้อน ดูแลมันขวางตาขวางใจสะดุดใจทันทีเหมือนพระเจ้าชู้พระคุณนางการฉันเพื่อความเห็นภยัยจะหาอะไรมาเป็นความสะดวกสบายมาโก้โเก๋อย่างนั้นมันขัดกันกับความเห็นภัยในการขบการฉัน